ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตะนาไตรกราบบูชาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนประจันไพศาลวิสาโลกราบขอโอกาสหลวงพ่อกรมกราบขอโอกาสประจันทรงศิลป์กราบขอโอกาสประจันวัฒนชัยกราบขอโอกาสประจันสุรินขอโอกาสพวกเราเพื่อนสาธมิกเจริญพรแม่ชีแล้วก็ยัดโยมนะอุบาสกอุบาสิกา วันนี้ก็วันที่2ีอีกสองวัน <c oughs> หลวงพ่อก็มรณภาพเ <c oughs> ช้า ว, วันนี้ก็เป็นเช้า ว, วันที่หลวงพ่อก็ปกติเนาะตีสี่ 4, หลวงพ่อจะขยับตัว <c oughs> จะขยับตัวแล้วก็เตรียมยาตอนเช้า ช่วงนี้ก็แบบว่าจะเป็นช่วงที่หลวงพ่อก็จะแบบลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำถ้าหลวงพอลุกเองได้หลวงพ่อก็แบบว่าไม่ไม่ใช้ไม้เท้าถ้าหลวงพอดูว่าสำรวจตัวเองว่าวันนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะวันนี้อาจจะมีปัญหาหรือ ว, ว่าก็จะคว้าไม่เท้าเดินเข้าห้องน้ำ อตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุงพ่อก็จะรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลุงพ่อก็จะพูดคํานี้ให้ได้ยินเนาะจริงๆคาว่ารับผิดชอบตัวเองเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เล็กเนะตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นอะไรต่างๆนาน า, นาแต่คําว่ารับผิดชอบของตัวเองของลุงพ่อมีมีมากมากกว่านั้นขึ้นไปอีกนิดนึงลุงพ่อจะบอกบอกว่า ถ้าเรารับผิดชอบตัวเองได้เราจะไม่ทำให้คนอื่นทุกตรงนี้เป็นสิ่งที่มันมันน่าสนใจน่าสนใจว่าเออเมื่อก่อนคำรับผิดชอบตัวเองก็ลอยๆอยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ที่ลึกซึง้งเพราะว่าถ้าเรารับผิดชอบตัวเองได้เราจะไม่ทำให้คนอื่นทุกตรงนี้เราก็จะได้เห็นภาพ ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่หลวงพ่อป่วยในช่วงสุดท้ายนี่เนาะตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาหลวงพ่อก็ได้ได้ได้แสดงออกถึงสิ่งนี้ตลอดตลอดเวลาก็เรียกว่าไม่ไม่ได้ทำให้พวกเราเป็นภาระเนาะ เมื่อกี้พระจันทร์สุรินทร์ก็พาเราสวดนะฮะบทกระยาณมิตรเนาะพระพุทธเจ้าก็บอกมาว่าถ้าใครเอาเราเป็นกระยาณมิตรแล้วเนี่ยเนาะตรงนั้นฮะจะมันก็จะได้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดได้จะได้ถึงที่สุดแงถงทุกข์ได้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่พอเวลาที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เนาะมันก็เราก็มองมองครูบาอาจารย์ของเราเนาะ แล้วเราก็ดูเหมือนกับว่าดูครูบาอาจารย์ทำอะไรยังไงเราก็เอาตรงนั้นมาทำครูดูครูบาอาจารย์เอาอะไรทำยังไงเราก็เอาตรงนั้นมาทำตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มันมันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ทำตามใจชอบเนาะแต่ว่าเหมือนกับค่อยๆดูท่านท่านทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยเข้ามาบวชก็ตั้งใจเนาะตั้งใจ ตั้งใจว่าจะไม่ทําให้หลวงพ่อเป็นภาระไม่ค่อยได้ถามอะไรหลวงพ่อนะแต่ค่อยๆสังเกตเอาคือค่อยๆสังเกตว่าเออหลวงพ่อทำอะไรยังไงแรงตานาหล่านี้แต่ว่าณวันนั้นเนี่ยก็มีความคิดเนาะว่าเราแบบว่าถึงคํานี้คํานี้ก็อายๆนิดๆเนาะวันนั้นเราก็คิดว่า เราจะช่วยหลวงพ่อนะนณวันที่บวชตอนแรกอะแต่ถึงนาทีนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเรามีความสามารถอะไรที่จะไปช่วยหลวงพ่อจริงๆหลวงพอก็ช่วยเราตลอดเวลาเพราะเนึ่องจากว่าคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกมาคืออาการไปอาการมาของหลวงพ่อการลุกนั่งการแรนตานาน า, นานเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไม่ว่าหลวงพ่อจะ สบายดีหรือหลวงพ่อจะมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรยังไงก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็เป็นแบบอย่างให้เราได้ตลอดเวลาซึ่งนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องช่วยหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อในช่วยเราแต่ว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือเราอะจะแบ่งเบาภาระของหลวงพ่อลงได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เราเรารับผิดชอบตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ทําให้หลวงพ่อต้องเป็นห่วงตรงนี้ก็ เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แบบเรียกว่าตั้งแต่ก็เรียกว่าอยู่กับหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าการกระทาของหลวงพ่อก็เป็นการบอกกันสอนโดยที่หลวงพ่อก็ไม่ต้องออกปากไม่ต้องออกปากเลยเพราะว่าเราก็ตั้งใจตั้งใจว่าจะทำเหมือนกับจะคอยช่วยหลวงพ่อแบบนี้เนาะตั้งความตั้งใจเ ล, ล็กๆ น, น้อยๆอะไรที่มีอยู่ก็ปรากฏว่า พอเวลาที่เราไปไปเขาเรียกว่าไปคอยช่วยหลวงพ่อเนาะในตอนที่หลวงพ่อป่วยครั้งแรกในตอนปีส9เก้าเนี่ยคืนที่สองของการไปไปอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏ ว, ว่าเช้าวันนั้นก็เราก็ไม่ทันสังเกตอะไรมากแต่ว่านี่ล่ะ ใกล้กลตีห้าเนี่ยเขาก็เอายามาให้หลวงพ่อฉันเนาะปรากฏ ว, ว่าเราก็จัดน้ําจัดแรงนา น, นๆนอันนี้เตรียมให้หลวงพ่อฉันพอหลวงพ่อฉันยาปุ๊บเนี่ยก็ <c oughs> เกิดเรื่องขึ้นเลย <c oughs> ยาติดคอ <c oughs> ยาติดคอหลวงพ่อเราก็รู้นะว่าถ้ายาติดคอติดหลอดลมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเลยยะเนาะใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับว่า ติดหลอดลมก็หลอดลม่ไมก็ไม่หายใจนั่นนั่นคือพอเราเห็นอาการอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นอตอนนั้นก็คือเราก็ตกใจใช่มตกใจแล้วก็กำลังคิดว่า ừ, เดี๋ยวเราจะแบบว่าเราจะไปตามหมอเพราะว่าเนื่องจากห้องกับกับจุดกับจุดพยาบาลอยู่ใกล้กันนิดเดียว หลวงพ่อคงเห็นอาการในในเสียวินาทีนั้นว่าอาการของเราคงมีอาการละล้าละลังอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็พูดสั้นๆบอกว่าถึงหลวงพ่อหายหลวงพ่อก็ตาย <c ười> คำพูดสั้นๆตัวนี้เองนะมันก็ทําให้เราแบบว่ามีสติกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าก็ไม่ไม่หล่นหลานไม่หลนลานแล้วก็จัดการไปตาม ไปตามที่ควรก็ตรงนั้นก็ผ่านไปด้วยดีคือ <c ười> นั่นนั่นเป็นเรื่องที่นั่นเป็นเรื่องที่เนี่ยคือสิ่งที่สิ่งเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเงี้ยนะหลวงพ่อก็ช่วยเราตลอดเวลาเราคิดว่าเราจะช่วยให้หลวงพ่อหายใจได้จริงๆไม่ใช่หลวงพ่อช่วยให้เรามีสติก่อน <c ười> ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นได้เห็นตลอดมา หลวงพ่อก็พูดในในครั้งนั้นนะในช่วงนั้นสองสัมวันถัดจากนั้นหลวงพ่อก็พูดบอกว่าเนี่ยลครคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ยกให้หมอก็ไปหมด <c oughs> เราเนี่ยแบบว่าไม่มีความรู้ไม่มีความรู้อะไรเนาะคุณหมอเรียนมามีความรู้มากกว่าเรา นั่นก็คือโรคไปแกรเจ็บเนี่ยยกไปหมดเลยนะยกไปหมดเหลือแต่เราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองเรื่องอะไรเรื่องเรื่องกินเนาะกินให้ได้นอนให้ได้ขับถ่ายให้ได้ซึ่งหลวงพ่อบอกว่าสามอย่างเนี่ยหมอก็ช่วยไม่ได้แต่ก็สามอย่างเนี่ยสําคัญยังไงเพราะเนื่องจากว่าสําคัญเนาะตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ย กินได้ใช่ไหมนอนหลับขับถ่ายดีเนี่ยลรภัยไข้เจ็บก็ไม่มีเนาะดูหลวงพ่อนะั้นง่ายๆเท่านี้เองนะฮะอย่างงั้นแต่ว่าในความหมายของการที่บอกว่ายกความเจ็บป่วยให้หมอไปหมดเนี่ยตรงนั้นหลวงพ่อก็ทําแบบนั้นจริงๆทําแบบนั้นก็คือหลวงพ่อไม่มีคําถามสจะคาถามนะว่าคุณหมอผมเป็นอะไรอะไรยังไงนานๆเหล่านี้ไม่มีไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากเห็นนะครับ แต่ว่านั่นคือเหมือนกับว่าโลกภัยไข้เจ็บตรงนั้นอะ่ะมันพ้นออกไปจากตัวหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็แสดงออกออกามาจากคําพูดคําจาของหลวงพ่อแบบนี้เนาะอย่างงั้นนอกมันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะฮะอย่างนั้นจะคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอลไรก็ไม่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือหลวงพ่อก็จะทําตามที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อบอกว่า รับผิดชอบตัวเองอย่างเงี้เนาะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่ว่าหลวงพ่อก็ทำเหตุเนาะทำเหตุทำเหตุให้เกิดนะผลของความรับผิดชอบก็ตามมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อทำอยังไงหลวงพ่อก็กาลังอยู่ในห้องไอซยูใช่ไหมให้น้ำเกลือไม่ได้ทันไม่ได้ฉันไม่ได้อะไรต่างๆนานาเหล่านีา้หลวงพ่อก็บอกอกว่าจันตุ่ม เอากระโถนนี่หลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อนอนอยู่นะแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าว่าหลวงพ่อปวดท้องถ่ายได้หรอครับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้น ท, ที่เราก็ไม่อะไรนะครับ ก, ก็เรียกว่าคือเราก็ว่าเอา้าหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ฉันอะไรจะปวดท้อทงถ่ายยังไงตอนนั้นหลวงพ่อพูดไม่ได้นะ บิวพปอมีพวกพวกอะไรนะก็เรื่องพวกท่อช่วยหายใจอะไรอะไรลา้าคาคาอยู่ในปากเยอะอยู่หลงก็เขียนบอกบอกว่าทำให้เป็นนิสัย <c oughs> ตอนนั้นตอนตีหนะ้ <c oughs> เาเนาะหลวงพ่อจะบอกว่าตอนตีห้าเนี่ยลาไส้เนี่ยมันกำลังเคลื่อนตัวเนาะถ้าหากว่าเราขับถ่ายตอนเนี้ยเนาะทำให้เป็นประจำเนี่ยธรรมชาติเนาะ ที่จะมีพวกลมช่วยขับช่วยดันลําไส้เคลื่อนตัวมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ขับถ่ายได้สะดวกหลวงพ่อก็บอกว่าทําให้เป็นนิสัยจะได้แบบว่าคล้ายๆว่าที่หลวงพ่อบอกว่ารับผิดชอบตัวเองเรื่องการขับถ่ายเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหานั่นคือตรงเนี้ยเราก็จะเห็นหลวงพ่อก็เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัว เตรียมเพื่อที่ว่าจะให้เกิดกระบวนการที่บอกว่ า, ก, า ก, กินได้นอนหลับขับถ่ายได้ตรงนี้อย่างช่วงเวลาที่ป่วยอย่างเนี้ยบางทีหลวงพ่อก็สังเกตว่าช่วงเนี้ยยาเนี่ยมันจะกวนกวนให้อาเจียนกวนให้อาเจียนคีโมเนาะมันก็จะมีผลแบบนี้อาเจียนทานข้าวไม่ได้หลวงพ่อก็สังเกต สังเกตว่าถ้าอาหารมันค้างอยู่ในปากนานเนี่ยมันจะชวนมันจะชวนแบบว่าชวนอาเจียนหลวงพ่อก็บอกพวกเราบอกว่าลองลองปั่นอาหารให้ละเอียดเนี่ยอยากให้ชัดนอะไรนะก็เอามาเลยอย่างงี้นแต่ว่าขอแม่ขอแม่ว่าปั่นให้ละเอียดนะแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นหลวงพ่อก็จะมีอาหารอยู่สามแก้วมีอาหารอยู่มือหนึ่งสามแก้วแล้วก็ปั่นละเอียด แล้วหลว่อก็ดื่มแป๊บเดียวเท่าน่านเองนะฮะใช่ไหมครับคือแก้วหนึ่งกระดื่มแป๊บเดียวก็หมดดื่มแป๊บเดียวก็หมดอะไรเงี้ยปรากฏว่าในช่วงการให้คิโมงหลวงพ่อไม่อาเจียนเลยนะฮะไม่มีอาเจียนเลยเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยหลวงพ่อก็รับผิดชอบตัวเองเรื่องการเรื่องการเรื่องการขบฉันตรงนี้เนาะคือนี่สิ่งที่เขาเรียกว่าการที่พวกเราเนี้ย ได้มองกลับมาที่อาการทางกายเนาะมีกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยตามดูตามรู้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราดูไปเฉยๆเปลปาๆปิ๊บ ๆ, ๆเนาะแต่ว่าการที่เราดูไปบ่อยๆดูไปบ่อย ๆ, ๆเนี่ยเราก็จะเห็นอาการที่วันนี้เป็นยังไงเนาะเมื่อวานนี้เป็นยังไงพอเปรียบเทียบกันอวันนี้มันผิดไปจากเมื่อวานถ้ามันมีอะไรผิดไปจาก เมื่อวานนี้วันนี้ใช่ไหมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผลของสิ่งที่เกิดวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราจัดการตัวเองได้ถูกเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็สังเกตเนาะหลวงพ่อบอกตอนนี้ยามันคุมกลับมายามันคุมหมายถึงว่ามันทำให้หลวงพ่ออยากอาเจียนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นไป กับอาการของยาไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้อยากอาเจียนต้องเป็นผู้ที่ต้องอาเจียนหรืออะไรต่งตางๆนานาเหล่านี้ก็ไม่ใช่แต่หลวงพ่อก็เรียนรู้จากสิ่งที่เหมือนกับว่าต้องสังเกตดูนะโอ้นี่ถ้าอาหารมันมาค้างๆอยู่ในปากเนะอะไรต่างๆมันเป็นแบบนี้แบบนี้หลวงพ่อก็เลยทดลองลองดูก่อนหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นบทสรุปนะแต่ว่านั่นคือช่วงนั้นหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นแล้วก็ ใ้ช่วงของการอาเจียนก็ผ่านไปได้ด้วยดีตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ส่วนเรื่องการนอนหลับเนี่ยไม่ต้องห่วงหลวงพ่อจะเป็นคนที่นอนหลับได้ในในทุกสถานการณ์ถ้าหลวงพ่อต้องการที่จะพักผ่อนก็ว่าหลับได้ในทุกสถานการณ์ที่หลวงพ่อต้องการพักผ่อนหมายถึง ว, ว่าหลวงพ่อไม่เคยหลับเป็นแบบไม่รู้ตัวไม่ใช่หลับไปแบบว่าไม่รู้ใช่ไหม เปิดไฟทิ้งไว้หนังสือพิมพ์ปิดหน้าใช่ไหมหรือว่าเปิดทีวีค้างไว้หรือไงต่างๆนานาหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนั้นไม่มีสําหรับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นคือหลวงพ่อจะบอกบอกว่าให้ตั้งใจหลับวันนี้เนาะเราก็ได้ทําภารกิจต่างๆมาเต็มที่แล้วเวลานี้เป็นเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนแล้วฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็เราก็วางเรื่องราวต่างๆซะพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการวางใจพอวางใจซะทำยังไง <c oughs> ก็หลับเนาะก็ตั้งใจหลับตั้งใจหลับนี่หลวงพ่อก็จะบอกเนาะบอกว่าสร้างเหตุของการที่จะทำให้หลับง่ายด้วยการไงอย่าหาเรื่องมาคิด <c oughs> หลวงพ่อก็บอกอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมพวกเราเนาะพอเวลาที่แบบว่านอนไม่หลับเนี่ยเพราะมีเรื่องคิดเนาะคิดไม่จบไม่สิ้นเนาะปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนหลายหลายชั่วโมงเนี่ย ไม่หลับเราเคยสังเกตไหมว่มาบางทีความคิดรบกวนเราขนาดนี้เนาะลบกวนเราเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางทีทั้งคืนเนี่ยจนกระทั่งสว่างขาตาก็หลับไม่ลงเพราะเนื่องจากว่าความคิดเนี่ยมันมานวน่วุ่นวายกับเรานล้วเราก็พูดนะไม่รู้จะจัดการยังไงกับความคิดเนาะแต่ว่าถ้าพวกเราอยู่ณนะที่นี้พวกเราอยู่กับการทํากรรมฐานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องง่ายเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อเทียนเนาะก็บอกว่า เวลาที่เราสร้างจังหวะเนาะเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจมาคอยรับรู้เนี่ย mm. ก็ให้เราเอาสติคอยสังเกตเนาะว่าใจเผอไปคิดเมื่อไหร่ถ้าเผอไปคิดเมื่อไหร่ก็จะไหมกลับมาเนาะอยู่กับอาการกายที่เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึง่งอย่างเนี้ยนะเราลองทําดูนะลองทําดูแบบนี้ใช่ไหมอย่างนั้นคําว่าไม่ต้องหาเรื่องไปคิดเนี่ยมันก็เป็นคําบอกเล่าเนาะ แต่ว่าหลวงพ่อเองเนี่ยไม่ได้เป็นคําไม่ได้สอนทำแบบว่าบอกเล่าเฉยๆแต่หลวงพ่อสอนวิธีการทําทํำยังไงถึงจะทําให้เกิดผลแบบนั้นเนาะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่ น, นของหลวงพ่เทียนหลวงพ่อคำเขียนสภาวะที่ท่านบรรลุแล้วถึงแล้วหรือแรงตันนาน า, นานเหล่าเนี้ท่านก็ไม่ได้บอกให้เราน้ําลายหยดน้ํำลายไหลว่าโอ้อยากไปถึงจุดนั้นอยากไปถึงจุดนั้นแต่ว่าท่านจะบอกวิธีการทํา น้าท่านก็จะบอกเป็นลําดับตั้งแต่ต้นเนา ะ, ะทำแบบนี้แบบนี้เนาะอย่างเงี้ยทําแบบนี้แบบนี้คืออะไรตรงก็ไปสู่ความรู้สึกตัวจะ่าไปนสนใจอะไรอย่างอื่น <g akes> ไม่ต้องไปกังวลว่าถ้าถูกหรือเปล่าเอ๊ะทําไมต้องทําแบบนี้แบบนั้นอะไรต่างๆน า, านาเหล่านี้เนี่ยเพราะว่านั่นคือในขณะที่เรากําลังคิดอยู่ว่า <g akes> ถ้าถูกหรือเปล่าหรือทําไมต้องทําแบบนี้แบบนั้นนี่เราก็เผลอ ER ไปเนาะอยู่กับความคิด ในขณะที่เราเผลอไปอยู่กับความคิดที่คำว่าเผลอไปอยู่กับความคิดเนี่ยใจเราก็ไปร่วมมือกับความคิดเรียบร้อยแล้วการที่เราจะบอกบอกว่าพูดนะพูดบอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้มันก็จะเป็นเพียงแค่คำพูดอย่างเดียวเป็นสิ่งที่เราจำได้แต่ว่าเรายัางทำไม่ได้นั่นกน็คือตรงเนี้ยเนาะมาก็ให้เราได้สังเกตรตรงนี้ว่าในขณะที่ความรู้สึกตัว ล้ว น, วนความรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยตอนนั้นน่ะก็คือใจเราอะกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับกายมันคอยตามดูตามรู้ตรงเนี้ยจังหวะนั้นน่ะเราได้สังเกตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตเนะเราจะเห็นตอนที่เอา้าเผลอไปคิดอีกแล้วเอา้าเผลอไปคิดอีกแล้วอะไรเงี้ยเนาะโอ้ยทำไมแบบว่ า, าเดินไป3ามก้าคิดทั้ง3ามเก้าเลยอะไร ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่านี่คือครูบาอาจารย์ก็บอกวิธีการเนาะทำแบบนี้เนาะจะเกิดผลแบบนี้การที่รู้สึกตัวเนี่ยการรู้สึกตัวผลของความรู้สึกตัวคืออะไรคือใจเนาะก็จะกลับมาจากความคิดอย่างเงี้ยพอกระจกลับมาจากความคิดเนี่ยเราก็ไม่คิดมากเป็นเป็นหลายหลายชั่วโมง การนอนหลับของเราก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรนั่นนั่นคือตรงนี้แต่ว่าหลวงพ่อเองก็ยังบอกอีกนะบอกว่าไอ้ตอนที่เรานอนเนี่ยการทำความรู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำจริงทำจังอะไรนะทาเล่นๆทาเบาๆเนอะอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าโอ้ตั้งใจญาติธรรมบางคนก็เป็นแบบนั้นนะบอกนอนไม่หลับเนาะคล้ายๆว่า ทำไมนอนไม่หลับก็รู้สึกตัวนะทำไมนอนไม่หลับนั่นคือเหมือนกับว่าบางทีเราก็ตั้งใจที่จะมีสติมากเกินไปไม่ได้ตั้งใจที่จะหลับอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยแค่เพียงแค่อยู่กับอาการกายเล็กๆ น, น้อยๆซึ่งหลวงพ่อําเคียนก็จะใช้วิธีแบบว่าเห็นบางทีเห็นท่านก็เอามือประสานกันไว้ที่อกนะแล้วก็กระดิกนิ้วนิดๆเท่านี้เองไม่ได้เป็นภาระอะไร แล้วก็อยู่ในท่าที่พร้อมจะหลับเนาะนั่นคือตรงเนี้ยจะเห็นนาะหลวงพ่อเนี่ยจะหลับอืมอยากจะบอกว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีนะที่หลวงพ่อล้มตัวลงนอนหลวงพ่อก็จะแบบนี้ทุกทีนะเวลาที่ในช่วงที่หลวงพ่อกลับมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะไล่ออกนะ เวลาที่ก็ให้คีโมเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าให้รีบๆออกไปจากโรงพยาบาลเพราะเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันต่ำโรงพยาบาลโกคภัยใกล้เจ็บเยอะนะให้หนีออกมาจากโรงพยาบาลเร็วที่สุดเพราะนั้นนั่นคือถ้าให้คีโมแล้วก็สามารถออกมาได้เลยเนี่ยหลวงพ่อก็ขอกลับสุกโตจากนู้นนะจากโรงบาลชุลากลับมาหลวงพ่อก็จะนั่งมาในรถพอหลวงพ่อไม่ตั้งใจหลับเนี่ยหชั่วโมง7ชั่วโมงจาก กรุงเทพมาถึงที่นี่หลวงพ่อก็ไม่ได้นอนเ น, ะนาะหลวงพ่อก็อยู่กับการกระดิกนิ้วอยู่กับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อะไรเงี้ยแต่พอมาถึงบ้านเอพอมาถึงวัดขอภัยพอมาถึงวัดหลวงพ่อก็จะบอกว่าถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้วหลวงพ่อก็แบบว่าใช่ไหมก็จัดแจงตัวเองเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ขึ้ น, ข, นขึ้นที่ขึ้นที่นอนเนาะอย่างนั้น แล้วก็ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็หลับไปอย่างรวดเร็วซึ่งนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเราก็เห็นเนาะแค่เรื่องของการแบบว่าการกินการนอนการขับถ่ายสองสาอย่างตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็แสดงความรับผิดชอบตัวเองออกมาอย่างอย่างที่เราเองเราก็เห็นเนาะไม่ใช่เป็นเพียงคําพูดแต่ว่าเป็นเรื่องของการกระทำและการกระทำวันนี้เนี่ย ก็ไม่ได้เป็นเรื่องการกระทาที่ไม่มีวิธีการแต่ว่านั่นคือก็เรียกว่าหลมงพ่อก็สร้างเหตุเนาะสร้างเหตุให้เกิดผลตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้บอกเนาะก็เรียกว่าได้บอกว่าถ้าพวกเราเนา ะ, ะเจริญอริยมรคมีองค์8ดเนี่ยเนาะพวกเราก็จะถึงเนาะก็เรียกว่าจะได้รู้ได้เห็นว่าทุกข์เป็นยังไงเนาะความไม่ทุกข์เป็นยังไงเนาะ วิธีการที่จะพาตัวเองให้พ้นทุกข์เป็นยังไงต้นเหตุของทุกข์เป็นยังไงยอรงรต่ า, น า, น า, นาตรงนี้พุทธเจ้าเองก็บอกบอกแบบนี้นั่นนั่นคือตรงนี้เนาะว่าคือมีเหตุเนาะใช่มเขาเกิดทำเนี่ยใช่ฮะต่างๆเนี่ยมีเหตุก็เกิดมีเหตุก็ดับคำว่ามีเหตุก็เกิดมีเหตุก็ดับเนี่ยก็คือพวกเราเนาะกำลังเขาเรียกว่า สร้างความรู้สึกตัวกันตอนเนี้ยก็เรียกว่าเรากําลังทําเหตุเนาะทําทำเหตุที่ดีเนี่ยผลที่ดีก็เกิดอย่างเงี้ยนั่น น, นนั่นคือการที่พวกเราแบบว่าคอยรู้สึกตัวเป็นครัง้งๆคอยรู้สึกตัวเป็นครั้งครเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยก็เรียกว่าในเบื้องต้นเนาะสติเราก็แข็งแรงอย่างเงี้ยพอสติเราแข็งแรงเนาะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เรียกว่าเราก็จะ มีก็เรียกว่าพัฒนาความรู้สึกตัวของเราไปเนี่ยเป็นการที่แบบว่าค่อยๆนะก็เรียกว่าทําให้จิตใจเราเนี่ยได้คุ้นเคยกับการกลับมาเมื่อกายเคลื่อนไหวการที่จิตใจเราคุ้นเคยที่จะกลับมาเมื่อกายเคลื่อนไหวนาทีนี้เราอาจจะทําอยู่ในรูปแบบเนาะใช่ไหมทำอยู่ในรูปแบบบางทีพวกเราก็สังเกตนะบางทีเราลุกเปลี่นอิริยาบถเนี่ย เราก็ลืมที่จะรู้สึกตัวอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่แบบว่าจิตใจเราคุ้นเคยที่จะกลับมากับการเคลื่อนไหวเนี่ยในรูปแบบนอกรูปแบบเนี่ยตรงเนี้ยก็ก็เรียกว่าจิตใจก็จะเหมือนกับว่ามีกายที่เคลื่อนไหวมื่อไหลเนาะแบบว่าจิตใจก็จะกลับมาตอนนั้นทุกครั้งที่เราสร้างเหตุคือมีการเคลื่อนไหวเนี่ยจิตใจกลับมาจากไหนอะไรเงี้ยนะจิตใจก็กลับมาจากความคิดเนะ ความคิดเป็นอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะหลวงพ่อเทียนบอกไว้อย่างนี้นะว่าความคิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์พวกเราลองสังเกตดูใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างนั้นแต่ว่านั่นคือใช่ไ จ, จิตใจกลับมาจากความคิดจิตใจก็เขาเรียกว่าก็หลุดพ้นก็ เ, เรียกว่าจิตใจก็หลุดพ้นการที่จิตใจที่หลุดพ้นเนี่ยตรงเนี้ย่วาวันก่อนนี้ก็อาจารย์ก็พ้นลูกศิษย์ คนคนคนเก่งกองเลวงพ่อของหวงพ่อกำเขียนก็บอกเอาไว้ว่าถ้าความรู้สึกตัวเด่นเนีน่าะถ้าความรู้สึกตัวเด่นเนาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตเนี่ยจะเป็นวิมุตต์อันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอ้ยไม่ใช่ว่าอาจารย์กำ บ, บนพูดเนาะแต่ว่านั่นคืออาจารย์บอกว่าหลวงพ่อเคยพูดกับอาจารย์เอาไว้คําว่าวิมุตต ก็หลุดพ้นเนาะตรงเนี้ยนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเพียงแค่เราได้ยินได้ฟังคำว่ า, ารู้สึกตัวตรงนี้ยังไม่พอเพราะนั้นคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ยินได้ฟังเราก็จําได้เนาะแต่จําได้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคําเขียนก็บอกบอกว่าทําได้แล้วหรือยังหลวงพ่อเขียนก็จะถามอย่างนี้นะทาได้แล้วหรือยังนั้นนั่นคือพอเราฟังมันจะเป็นความรู้แต่พอเวลาที่เราเอาไปหัดเนี่ย เราก็จะเริ่มเนาะอทําได้สัมผัสได้อย่างเงี้ยเนาะก็ทําได้พอแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อมีเก่งก็จะถามต่อว่ากลับมาได้ไวไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาที่พวกเราใช่ไหมแบบว่าที่หลงไปกับความคิดเนี่ยพวกเราลองสังเกตดูว่าเรากลับมาได้ไวไหมความคิดมันเป็นเรื่องหรือเปล่าหรือมันไม่เป็นเรื่องมันเป็นเพียงแค่ครึ่ ง, ง, งกลางๆแล้วก็กลับมาแล้วอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ เราเนี่ยได้สังเกตบางทีบางคนบอกว่าโอ๊ยก้าวไป3ามก้าวก็คิดไปสามครั้งแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่คิดไป3ามครั้งเนี่ยนั่นคือบางทีเราเราพูดถึงจิตที่ไปคิด3ามครั้งแต่ทำนองเดียวกันมันก็มีการกลับมาสามครั้งเหมือนกันนะวราทำอานั้นมันก็จะพูดไม่ได้บังว่าโอ๊ยนี่คิดไปตั้งสาครั้งนี่หมายถึงว่าจิตก็กลับมา อยู่กับกายที่เคลื่อนไหวแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปใหม่กลับมาใหม่แล้วก็ไปใหม่กลับมาใหม่แล้วก็ไปใหม่มหมหมตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าโอ้นี่เนาะแบบว่านี่เราก็กลับมาได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนั้นนั่นคือตรงเนี้ยหลวงพ่เขียนก็จะบอกว่ากลับมาได้ไวไหมเนาะเท่านั้นเองหรือวร า, าก็ยังบอกว่าทำให้จำนาญได้แล้วหรือยังอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนาะเป็นเป็นสิ่งที่ เหมือนกับบางทีคําพูดของครูบาอาจารย์ก็มันก็อยู่ในคล้ายๆว่าความความก็เรียกว่าเอาใจใส่เนาะความเอาใจใส่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำไม่ใช่เป็นเพียงเพียงแค่คําพูดที่ลอยๆเนาะแต่ว่าเป็นคําพูดที่ถ้าพวกเราเนี่ยได้เก็บเอามาเนาะแล้วก็เอามาปฏิบัติตามเนี่ย พวกเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนาะแล้วก็ไอ้การที่พวกเราจะรู้ทำเข้าใจทำเห็นทำมีทำเนาะทุกน้อยลงเนาะต่างๆน า, นานาเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรก็ขอให้พวกเราได้แบบว่าเพียรปฏิบัติกันเนาะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รู้สึกตัวเด่นๆเนาะและจิตของเราเนี่ยก็จะหลุดพ้นเนาะก็ตรงนี้พวกเราก็กลับพระพร้อมกัน